วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างพุทธธาตอินท ป, ปัญโยหรือพุทธธาตภพิขุอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยรอบครัวคณตวิชาคุณขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนาสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง การปฏิบัติเพื่อความว่างมีสมโอกาสปกติกระทบจะดับจิตท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างหลักทั่วๆไปเกี่ยวกับความว่างมีอยู่อย่างไรได้อธิบายพิจารณากันแล้วอย่างละเอียดเมื่อคราวก่อน คราวนี้จึงเหลืออยู่แต่วิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์แก่คนทั่วๆไปทุกคนแม้ที่มีการศึกษาน้อยแม้ที่ไม่ได้เล่าเรียนปริยัตโดยตรงหัวข้อของเรื่องมีอยู่ว่าวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างเพราะฉะนั้นจะต้องสนใจในคําว่าเป็นอยู่ด้วยความว่างมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยสุญญาก็ได้แล้วแต่จะเรียก เมื่อเอ่ยชื่อถึงสุญญตาก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงความว่างเพราะเป็นคำภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ว่าความว่างที่นี้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยความว่างหรือเป็นจิตที่ว่างเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องรู้จักสังเกตให้ละเอียดละอสักหน่อยคือจะต้องสังเกตคําบางคําให้เข้าใจความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่ารู้คำว่าเห็นแจ้งคำว่าเข้าถึงคำว่าเป็นอยู่ด้วยหรือคำว่ามีความว่างอยู่กําลังว่างอยู่และคำว่าเป็นความว่างซิเองพูดโดยโวหารชาวบ้านธรรมดาก็ว่าเรารู้คือเรารู้ความว่างเราเห็นแจ้ง ก็คือเราเห็นแจ้งความว่างเราเข้าถึงก็คือเข้าถึงความว่างเราเป็นอยู่ด้วยก็คือเป็นอยู่ด้วยความว่างเรากำลังว่างอยู่ก็คือเรากำลังว่างอยู่ด้วยความว่างนั่นเองหรือว่าเราเป็นตัวความว่างเสเองบรรดาที่ออกชื่อว่าว่างว่างทั้งหมดนี้มันมีความหมายตื้นลึกกว่ากันอย่างไร เราจะมองเห็นกันในแง่ไหนจึงจะเป็นความหมายอย่างเดียวกันหรือในระดับเดียวกันได้